ในอริยสัจคือหน้าที่อันจะพึงทาต่ออริยสัจสี่แต่ละอย่างหรือหน้าที่ต่ออริยสัจข้อนั้นๆมีสี่อย่างตามบาลีซึ่งมีมาในธรรมจักกับปวัตนสูตรดังนี้ 1. ทุกขังอริยสัจจังปริญญาอย่างทุกขะ อ, อริยสัจควรกำหนดรู้ 2. ทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพังทุกขสมุทัยอริยสัจควรละ 3. ทุกขนิโรธโอริยสัจจังสัจิกาตับพังทุกขนิโรธอริยสัจควรทำให้แจ้ง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาเวตับพังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสั์ควรเจริญคำแปลในข้อแรกคือทุกขอริยสัจควรกำหนดรู้เป็นคำแปลที่คุ้นกันมาของบาลีว่าปริญญางมักรู้สึกกันว่าเข้าใจยากอาจทับศัพท์ว่าพึงปริญญาหรือคนรรู้เท่าทัน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 ที่จะช่วยให้การดำเนินการขั้นต่อๆไปเป็นไปได้และตรงปัญหาข้อที่สองปหาะการละเป็นกิจในสมุทยัยหมายถึงการกำจัดเหตุแห่งทุกข์ทำสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งทุก์ให้หมดสิ้นไปพูดง่ายๆว่าการแก้ไขกำจัดต้นตอของปัญหา ข้อที่สสัชชิกิริยาการทำให้แจ้งเป็นกิจในนิโรธหมายถึงการประจักษ์แจ้งหรือบรรลุถึงภาวะดับทุกข์พูดง่ายๆว่าการเข้าถึงภาวะที่แก้ไขปัญหาได้เสร็จสิน้นภาวะหมดปัญหาหรือภาวะประศจากปัญหาบรรลุจุดหมายที่ต้องการ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 และวินิจัยมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องแก้ไขกาจัดให้หมดสิ้นไปสกิจยานในนิโรธรู้ว่านิโรธพึงสัจฉิกิริยาคือรู้ภาวะดับทุกข์ซึ่งจะต้องทำให้ประจักษ์แจ้งถ้าจัดเป็นขั้นได้แก่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 ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำหรับวัดความตรัสรู้กล่าวคือเมื่อใดรู้อริยรรสัจสี่แต่ละอย่างด้วยญาณครบทั้งสาซึ่งรวมทั้งหมดเป็น12รายการแล้วเมื่อนั้นจึงจะชื่อว่ารู้อริยสัจหรือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วยานสามนี้มาในธรรมจักรกับวัตนสูตรเขียนเต็มเลียนบาลี เป็นสัจยานกิจยานกตตาญานยานสาม น, นั้นเรียกชื่อเต็มว่ายานนัทสนะอันมีปริวัสามหรือปริวัติสามแห่งยานนัทสนะหมายถึงการยังรู้อย่างเห็นครบสามรอบกล่าวคือหนึ่งสัจญานยังรู้สัจจะ คือความอย่างรู้อริยสัจสี่แต่ละอย่างตามที่เป็นที่เป็นว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่าทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้เหตุแห่งทุกคืออย่างนี้อย่างนี้ภาวะดับทุกขคืออย่างนี้อย่างนี้ทางแก้ไขดับทุกขคืออย่างนี้อย่างนี้ สัจญาณในอริยสัจครบสี่ข้อก็เป็นอันครบหนึ่งรอบเป็นปริวัตรหนึ่งกิจญาณอย่างรู้กิจคือความอย่างรู้หน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยสัจสี่แต่ละอย่างว่าทุกคนกำหนดรู้สมุทัยควรละเสียเป็นต้นดังได้อธิบายแล้ว กิจยานในอริยศาสตร์ครบสี่ข้อก็เป็นอันครบอีกหนึ่งรอบเป็นอีกปริวัตรหนึ่งสามกัตยานยางรู้การอันทำแล้วคือความอย่างรู้ว่ากิจอันจะต้องทำในอริยศาส์4แต่ละอย่างนั้นได้ทำเสร็จแล้วคือรู้ว่าทุกคนกำหนดรู้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 ก็เป็นไปในอริยสัจสี่ยานละหนึ่งรอบจึงรวมเป็นสามรอบคือสามปริวัติเรียกเต็ม่ว่ายานทัศนะมีปริวัติสมเมื่อแจงนับอย่างละเอียดปริวัตรคือวนรอบสามนี้แต่ละรอบก็คือเป็นไปในอริยสัจสี่ครบทุกข้อจึงรวมเป็น12รายการเรียกเป็นคำพท์ว่ามีอาการ ส, สอง จึงพูดให้เต็มว่ายาณัทสนะมีปริวัติสามมีอาการส2บสองพระพุทธเจ้าทรงมียาณัทสนะตามเป็นจริงในอริยสัจสี่ครบปริวัติสามมีอาการส2บสองคือได้ความรู้แจ้งครบ12บสองรายการแล้วจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว หลักยาทัศนะมีอาการส2องหรือความรู้ครบ12รายการนี้ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบความสำเร็จในการปฏิบัติการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเขียนออกมาเป็นยาณัศนะมีปริวัติสมีอาการ12ตามรายการดังต่อไปนี้ปริวัติที่หนึ่งสัจญยานสีอาการ 1. ทุกข์คือดังนี้ สสมุทัยคือดังนี้สนิโรธคือดังนี้สมรคคือดังนี้ปริวัติที่สองกิจยานสี่อาการนับเป็นข้อที่ห้าทุกนี้ควรกำหนดรู้ 6. สมุทัยนี้ควรละเสีย 7. นิโรธนี้ ควรทำให้แจ้ง 8. ปดมาร์กนี้ควรปฏิบัติปริวัติที่3กตยานสี่อาการนับเป็นข้อที่9ทุกนี้ได้กำหนดรู้แล้ว 10. สมุทัยนี้ได้ละแล้ว 11. อนิโรดนี้ได้ประจักษ์แจ้งแล้ว 12. มารคนี้ได้ปฏิบัติแล้วเขียนให้ดูง่ายอีกแบบหนึ่งดังนี้ในที่นี้ท่านเขียนเป็นตารางแผนผังไว้นะครับขออ่านให้ฟังดังนี้สัจจะสี่คือทุกสมุทยัยนิโรธละมักยานสาคือสัจจยานกิจยานและกัตถยาน สัจญาณรู้ว่าทุกคือดังนี้คือรู้ว่าปัญหาคืออะไรตัวปัญหาอยู่ที่ไหนกิจญายนรู้ว่าทุกนี้ควรกำหนดรู้รู้ว่าปัญหานี้ต้องเข้าใจสภาพและขอบเขตเป็นต้นของมันกตตญาณรู้ว่าทุกนี้กำหนดรู้แล้ว รู้ว่าได้เข้าใจสภาพและขอบเขตของปัญหาแล้วสมุทัยสัจญานรู้ว่าสมุทัยคือดังนี้คือรู้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรรู้ว่าตัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์กิจญานรู้ว่าสมุทัยนี้ควรละเสียรู้ว่าจะต้องแก้ไข ที่สาเหตุนั้นคือรู้ว่าตัณหาต้องละเสียกัตตยานรู้ว่าสมุทัยนี้ได้ละแล้วรู้ว่าสาเหตุนั้นได้แก้ไขกาจัดแล้วคือรู้ว่าละตัณหาได้แล้วนิโรธสัจจยานรู้ว่านิโรธคืออะไร รู้ว่าภาวะหมดปัญหาที่ต้องการคืออะไรตนต้องการหรือควรต้องการอะไรคือรู้ว่านิพพานเป็นภาวะดับทุกข์กิจยานรู้ว่านิโรธควรทำให้แจ้งรู้ว่าภาวะนั้นเป็นจุดหมายที่ต้องไปให้ถึงคือรู้ว่านิพพานควรบรรลุกัตายาน รู้ว่านิโรดนี้ได้ประจักษ์แจ้งแล้วรู้ว่าได้บรรลุจุดหมายนั้นแล้วคือรู้ว่าได้บรรลุนิพพานแล้วมรรคสัจจยานรู้ว่ามรรคคือดังนี้รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรคือรู้ว่ามรรคมีองค์แปดเป็นทางดับทุกข์ กิจยานรู้ว่ามรคควรเจริญรู้ว่าวิธีการนั้นจะต้องลงมือปฏิบัติหรือจัดดำเนินการคือรู้ว่ามรคมีองค์แปดควรปฏิบัติกตายานรู้ว่ามรคนี้ได้เจริญแล้วรู้ว่าได้ปฏิบัติตามวิธีการนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคือรู้ว่าได้ปฏิบัติตามมรคแล้ว หนึง่งมีข้อควรทราบเพิ่มเติมให้เห็นภาพกว้างออกไปดังนี้ 1. ทุกคู่กับกิจคือปริญญาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนั้นทุกและธรรมะทั้งหลายที่อยู่ในจำพวกปัญหาหรือเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาจึงรวมเรียกว่าปริญญายธรรมคือธรรมะที่ควรกำหนดรู้ สสมุทยัยคู่กับกิจคือปหานะในฐานะเป็นสิ่งที่ควรละหรือกาจัดดังนั้นตัณหาและธรรมะจำพวกที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เช่นอวิชชาโลภะโทสะอุปาทานเป็นต้นจึงเรียกรวมว่าปหาตพธรรมคือธรรมะที่ควรละ 3. นิโรธคู่กับกิจคือสัจชิกิริยาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือควรบรรลุดังนั้นนิพพานและธรรมะจำพวกที่เป็นจุดหมายหรือเป็นที่แก้ปัญหาจึงเรียกรวมว่าสัจชิกาตับพระธรรมธรรมะที่ควรทำให้แจ้ง สี่มัคคู่กับกิจคือภาวนาในฐานะเป็นสิ่งที่ควรเจริญคือปฏิบัติดำเนินการดังนั้นมัคคามีองคปดและธรรมะทั้งหลายที่เป็นพวกข้อปฏิบัติเป็นวิธีการเพื่อเข้าถึงจุดหมายจึงรวมเรียกว่าภาเวตาพธรรมคือธรรมะที่ควรเจริญ ธรรมะทั้งหมดหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดามียอมจัดรวมเข้าในประเภทใดประเภทหนึ่งแห่งธรรมะสี่จำพวกนี้ไม่มีเหลือในมรรคาแห่งความดับทุกข์หรือปฏิบัติการแก้ปัญหาทั้งหลายตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดตั้งแต่ภายนอกจนถึงลึกซึ้งภายในผู้ศึกษาที่สนใจอาจคอยจับธรรมะที่ตนเกี่ยวข้องจัดเข้าในธรรมะสี่ประเภทนี้ได้เสมอ เช่นในการปฏิบัติขั้นถึงแก่นเอาแต่สาระพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงธรรมสีประเภทไว้ดังนี้ 1. ทุกขปริ ญ, ญญาธรรมได้แก่อุปาทานขันห้า 2. ส, สมุ ท, ทยัยปหาตับพระธรรมได้แก่ อวิชชาและภวะตัณหาสานิโรธสัจจิกาตัพธรรมได้แก่วิชชาและวิมุตติสมักภาเวตพธรรมได้แก่สมถะและวิปัสสนา กุตโพธ์นี้จากมัชิมานิกายอุปริปัญ น, นาตและอังคุตระนิายจตุการนิบาตในบาลีนั้นท่านเรียงภาเวตพาพธรรมคือสมถะและวิปัสสนาไว้ก่อนสัจจิกาตัพธรรมคือวิชาและวิมุตติแต่ในที่นี้จัดเรียงสับตรงข้ามเพื่อให้เข้าลำดับของอริยาาสัจสี